สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่21สุภาษิตบทที่21ครับข้อ25จนถึงข้อที่31เป็นข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วครับโบดฟังโพจนะของพระเจ้าความอยากของคนเกียรติคร้านฆ่าตัวเขาเองเพราะมือของเขาไม่ยอมทํางานคนโลภก็โลภอยู่วันยังค่ําแต่คนชอบทํา ให้อย่างไม่อั้นเครื่องบูชาของคนธรรมเป็นสิ่งน่ารังเกียจและแย่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเขานำมาด้วยเจตนาชั่วพยานเท็จะพินาศแต่พยานที่พูดตามที่ได้ยินจะยืนโยงอยู่ได้คนอธรรมทำให้หน้าของตนด้านไปแต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตนปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดีคําแนะนำก็ดีจะเอาชนะพระยาเวไม่ได้ม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทาศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวพี่น้องครับให้เราเริ่มต้นในข้อที่25ความอยากของคนเกลียดค้านฆ่าตัวเขาเองเพราะมือของเขาไม่ทำงาน ข้อ26บอกว่าคนโลภก็โลภอยู่วันยังคำ่ำแต่คนชอบธรรมให้อย่างไม่อัน้นเราจะเห็นว่าจุดหมายปลายทางของคนชอบธรรมนั้นก็คือเขาจะบริบูรณ์ด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงคนที่มีสติปัญญาคนที่มีความเฉลียวฉลาดความชอบธรรม เขาจะได้ 1. ชีวิต 2. ความมั่งคั่ง 3. มเกียรติยศนี่แหละครับคือคนชอบทมเขาจะมีเมื่อเขามีเขาจะให้ออกไปครับเมื่อยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับตามโพนะเจของพระเจ้าซึ่งเป็นกฎเกณฑ์พี่น้องครับตรงนี้ได้บอกว่าความอยากของคนเกลียดค้านฆ่าเขาเองถามว่ามีความอยากเราผิดไหมครับไม่ผิดครับแต่มีความอยาก แล้วเราไม่ทํำนะครับเราเกียรติค้านนะสิ่งนี้นะครับความอยากเข้าเนี่ยมันก็ทําำลายชีวิตของตัวเองเพราะมือของเขาไม่ทํางานครับคนที่อยากได้คนที่โลภเขาก็จะโลภอยู่เหนคำแต่ไม่เขาจะไม่เคยรวยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะเนื่องจากความขี้เกียจของเขาแต่ในขณ้นเดียวกันครับคนที่เกียรติค้านแล้วอธรรมด้วยนะครับอธรรมนี่คือเป็นคนชั่วร้าย แน่นอนครับบวกกับความโลภอีกก็ทำให้ชีวิตของเขานั้นเสื่อมซามลงกลายเป็นคนชั่วร้ายที่ใช้วิธีต่างๆที่จะได้มาซึ่งความอยากความต้องการของตัวเองนี่แหละครับจึงเกิดพฤติกรรมของอาชญากรจึงเกิดพฤติกรรมของการคดโกงคอร์รัปชันการมีความปรารถนาของหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่โลภ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดนะครับต่การปฏิเสธที่จะทำงานทำให้เขาอดอดจะได้ทุกสิ่งเหล่านั้นที่เขาต้องการแล้วหากว่าเขายังมีความโลภอยู่เขาก็จะใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกจรยิยธรรมคดโกงคอร์รัปชันเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านั้นนี่แหละครับคือการลงเหวของคนเกียรติค้าน คนเกียรติคานนะครับบวกกับความโลภแล้วบวกกับความชั่วร้ายก็จะนำไปถึงชีวิตที่ลงเหวครับแต่คนชอบทามีสิ่งเหล่านั้นและยินดีที่จะให้เห็นไหมครับมันแตกต่างกันมากอย่างสิ้นเชิงข้อต่อไปครับเครื่องบูชาของค น, อนธรรมเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับ แล้วยิ่งแยกกว่านั้นอีกก็คือว่าเมื่อเขานำมาด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือเจตนาชั่วนั่นเองพี่น้องครับการที่เรานำเครื่องบูชามาถวายหากชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับเครื่องบูชานั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้าในอิสราเอลนั้นเป็นบ่อ ย, อยครับที่ว่าคนร่ารวยหมกมุ่นอยู่ในเรื่องทางโลกได้นาเครื่องบูชา การลบบาปเครื่องบูชาแบบอื่นเพื่อที่จะมาชดใช้การละเมิดของพวกเขาจะเอาเงินซื้อการมองข้ามความผิดจากพระเจ้าไม่ได้ครับเขาเอาเงินเพื่อที่จะแลกการยกโทษให้อภัยจากพระเจ้าเพื่อตัวเองไม่ได้ครับชีวิตที่เหลวไหลของเขาด้วยความตั้งใจและคิดว่าเมื่อมาถึงเครื่องบูชาถวายบูชาเขาจะใช้วิธีการนี้ ในการลบแางความผิดของเขาคำตอบคือไม่ได้ครับสุภาษิตนี้หมายความว่าเครื่องบูชาของคนที่ชั่วร้ายนั้นที่ไม่กลับใจครับเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้าสองสามเท่าเลยเพราะว่าในกรณีเช่นนี้คนธรรมไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการนับถือพระเจ้าในการให้เกียรติพระเจ้าเขายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการกลับใจเลยครับ เขายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งจะต้องสารภาพบาปครับซึ่งจะต้องถ่อมตัวลงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องราวที่พวกเราซิคริสเตียนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อมานานหรือผู้เชื่อใหม่ต้องใส่ใจการกลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเรื่อง เกิดจากจิตใจของเราปรารถนาครับที่จะบริสุทธิ์ต่อหน้าพระภาคของพระเจ้าเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายหลายคนมองข้ามไปคิดว่าเราจะมาหาพระเจ้ามาแบบไหนก็ได้อย่างที่เราเป็นซึ่งไม่ถูกครับเราต้องมาแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นถึงจะถูกต่างหากครับการนาเครื่องบูชามา โดยที่ตัวเองไม่ได้กลับใจนั้นก็ทำให้พระเจ้ากลายเป็นผู้รับใช้คนบาปครับทำให้คนบาปนั้นเกิดความสบายใจแล้วก็หันกลับไปทำบาปอีกอันนี้เป็นความตั้งใจชั่วร้ายแทนที่จะเชื่อฟังกลับใจข้อต่อไปครับพยานเท็จจะพินาศแต่พยานที่พูดตามที่ได้ยินจะยืนยงอยู่ได้ ข้อนี้หากอธิบายแบบผิวเผินนะครับเราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องของคำพยานการให้การในศาลเราจะพบว่าการให้การในศาลนั้นก็ต้องพูดความจริงไปครับเพราะว่าการโกหกนั้นก็จะพินาศแต่พูดความจริงนั้นก็จะยืนยงอยู่ได้และไม่ต้องคิดมากเพื่อที่จะสรรหาความเท็จมาเล่าในขณะเดียวกันครับ ใครที่ฟังความเท็จฟังแล้วฟังอีกมันอาจจะเกิดกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะว่ามีการพูดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกคนที่หูเบาก็จะคิดว่าเป็นจริงทิงเ่านี้ครับสาคัญมากบุคคลที่ฟังความเท็จแล้วไปทาตามความเท็จนั้น ก็ทำซ้ําไปซ้ํำมาแต่บุคคลที่ฟังความจริงและทําซ้ํา <c oughs> เขาก็เรียนรู้และประยุกต์ใช้ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นครับการเอาใจใส่ต่อความจริงสําคัญครับความจริงกับความเ ท, ท็จถ้าเอาใจใส่ความจริงชีวิตก็ดีเอาใจใส่ความเ ท, ท็จฟังความเ ท, ท็จฟังสิ่งที่ไม่ดีซ้ําแล้วซ้ําเล่า ความคิดก็ไม่ดีแล้วนำมาถึงผลการกระทําที่ไม่ดีเช่นเดียวกันคำว่ายืนยงอยู่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะรับเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชอบทาไปในขณะเดียวกันครับก็ยี <c oughs> เราจะเห็นว่าคนราามนั้นทาให้หน้าของตนด้านไปหมายความว่าทำให้ใบหน้าของคนชั่วร้าย กล้าแกร่งขึ้นความน่าเชื่อใจคดและความเย่อหยิ่งประกอบกันนะครับก็ทําให้คนชั่วร้ายกล้าแกร่งขึ้นเมื่อมีความกล้าแข่งขึ้นก็จะพยายามจูงใจคนอื่นให้เชื่อครับโดยการช่อฉนโดยการล่อลวงพี่น้องครับในชีวิตของเราก็อาจจะพบกับคนเหล่านี้ครับก็คือคนน่าเชื่อใจคดที่ประสบความสําเร็จในการจูงใจคนอื่น ในทางกลับกันครับคนชอบทำก็จะเฝ้าดูทางของตัวเองและแวดระวังที่จะมีความบริสุทธิ์ใจแสวหงหาความจริงใจไม่เสแสร้งและคงเส้นคงวาในการกระทำของเขาความปรารถนาของเขานั้นที่จะเป็นคนที่แน่นอนนะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมั่นใจได้เป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นความประพฤติของเขานั้นเที่ยงธรรมครับ ซึ่งขัดแย้งกับคนชั่วที่จะทำชั่วโดยไม่คิดให้ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนเราแตกต่างกันในวันสุดท้ายครับข้อ30สติปัญญาของมนุษย์นั้นก็ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับพระสติปัญญาของพระเจ้าได้ไม่มีแผนการหรือโครงงานโคร ง, งการของมนุษย์คนหนึ่งคนใดจะมาทำให้หน้ำมัทไทยของพระเจ้าบิดเบี้ยวบิดเบือนไปไม่ได้เนื่องจาก การครอบครองสูงสุดและอำนาจอธิปไตยสูงสุดครับและพระสติปัญญาความสัพพัญญูสูงสุดอยู่กับพระองค์ข้อ31ครับความพยายามของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างของพระเจ้านั้นก็ไม่ต่างจากเด็กนะเอาไม่ซีกไปงัดไม่สูงไม่ต่างจากสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งมีข้อจำกัดครับเมื่อมาเทียบกับพระเจ้านั้นไร้ค่าจริงๆ นำมาต่อสู้กับพระเจ้าก็ต่อสู้กันไม่ได้เลยทหารนะครับอาจสามารถนำม้าศึกของตนเข้าสงครามแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะชนะถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าเท่านั้นผู้ทรงสามารถพลิกผันสถานการณ์ตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามกระทาแตกต่างออกไปอย่างไรแต่พระเจ้าสามารถตลบให้เข้ามา อยู่ในลู่ในทางได้นี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าดำรงตนอยู่ในความชอบธรรมความซื่อสัตย์ขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการบริหารจัดการครับและให้เราที่จะแก่งกล้าในการทำดีดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมใส่ใจอยู่กับเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความประพฤติที่เที่ยงธรรมก็อาจจะขัดแย้งกับคนชั่วร้ายได้ครับแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดอาเมน